คู่มือชีวิตหมวดที่หกการดูแลครอบครัวจากหนังสือความสุขของครอบครัวหรือสันติสุขของสังคมสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุทโตจัดทาโดยกวิศราฤทัยชวีสวิเซอร์และประชัชญาจำปานนท์คุณภาพชีวิต ของคคครรออบัววทีีม่มมาสุขยากเรียนถามท่านในลักษณะของคุณภาพชีวิตว่าในฐานะของชาวพุทธคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่มีความสุขควรเป็นลักษณะใดคุณภาพชีวิตดูได้3ามระดับเริ่มด้วยระดับที่หนึ่งซึ่งแยกเป็นหลายด้านด้านแรก คือสุขภาพร่างกายไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนมีกำลังแข็งแรงอายุยืนด้านที่สองมีอาชีพสุจริตด้านวัตถุมีทรัพย์สินเงินทองไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้ยังน้อยพึ่งตัวเองได้ในด้านเศรษฐกิจด้านที่สมีสถานะในสังคมเป็นที่ยอมรับนับถือมียศมีตาแหน่งมีบริวาร มีผู้คนยกย่องและถ้ามีเกียรติคุณเป็นที่นิยมนับถือก็ยิ่งดีด้านที่สี่ก็คือมีครอบครัวอบอุ่นผาสุขมีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสุขพี่น้องรักกันดีดูแลเอาใจใส่ทำวงตระกูลให้เป็นที่นับถือทั้งสี่ด้านนี้รวมกันเป็นระดับที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะหรือประโยชน์ปัจจุบัน เป็นจุดหมายขั้นตาเห็นต้องดูเป็นพื้นฐานก่อนคุณภาพชีวิตด้านแรกที่เป็นด้านวัตถุหรือรูปธรรมนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าท่านถือว่าสำคัญในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราอาศัยมันเป็นฐานที่จะก้าวขึ้นสู่การพัฒนาและความดีงามหรือการสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นไปดังนั้นท่านจึงเอาใจใส่มากทีเดียว เพียงแต่ต้องระวังว่าไม่ให้เอาเป็นจุดหมายที่จะไปหลงติดวนเวียนจมอยู่แต่ถ้าปฏิบัติให้ถูกก็เป็นการเตรียมฐานชีวิตให้พร้อมเพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพชีวิตจึงมีหลักสำคัญพิจารณาแยกยะละเอียดลงไปอีกเช่นหลักสัปปายะเจประการสัปปายะก็คือคำบาลีที่เราเอามาแปลว่าสบายนั่นเอง แต่ความหมายในภาษาไทยของเราเพี้ยนไปหน่อยสบายของเรามักเข้าใจกันว่าหมายถึงไม่ติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นกดดันหรืออึดอัดแล้วก็หยุดแค่นั้นคล้ายกับว่าพร้อมจะลงนอนหรือพักผ่อนได้คือมองที่การไม่ต้องทำแต่สบายหรือสัปปายะของเดิมหมายถึงสภาพที่เอื้อเกื้อหนุนเหมาะช่วยให้เป็นอยู่ทากิจกรรม หรือดำเนินกิจการต่างๆอย่างได้ผลดีหรือเอื้อต่อการที่จะปฏิบัติให้สำเร็จผลคือมุ่งเพื่อการกระทำเช่นจะไปฝึกสมาธิท่านก็ให้มีสัพปายะจึงจะได้ผลดีสัพปายะคือสภาพเอื้อเรียกง่ายๆว่าภาวะสบายนี่เป็นคุณภาพชีวิตขั้นต้นมีเจดอย่างคือหนึ่งอุตตุสัปายะ อุตุสบายคือสภาพแวดล้อมดินน้ำอากาศที่เกื้อกูลต่อชีวิตธรรมชาติรื่นรมความร้อนความหนาวบรรยากาศทั่วไปที่ดีที่เหมาะที่เอือ้อ 2. อาหารสปายะหรือโภชนะสปายะคืออาหารสบายหรือโภชนะสบายมีอาหารเพียงพอไม่ขาดแคลนเป็นอาหารที่มีคุณภาพถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพมีรสชาติประกอบพอเหมาะพอควร 3. าอาวาสสั ป, ปายะอาวสาสั ป, ปายะหรือเซนาสนะส ป, ปายะคืออาวสาสสบายหรือเซนาสนะสบายคือที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนมั่นคงปลอดภัยอยู่อาศัยใช้ทากิจที่ประสงค์ได้ดีเป็นที่พาสุข 4. อุคละสปายะคือบุคคลสบายคือมีบุคคลที่ถูกกันเหมาะกันไม่มีคนที่เป็นภัยอันตรายหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าให้ดีก็ให้มีคนที่มีคุณธรรมมีปัญญาจิตใจดีมีไมตรีมีความรู้ที่จะเกื้อนหนุนให้เกิดการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยได้คนที่เหมาะใจ ห อ, อิริยาบถสปายะอิริยาบถสบายคือการบริหารอิริยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกายการได้นั่งนอนยืนเดินอย่างสมดุลและเพียงพอบริหารร่างกายได้คล่องไม่ติดขัด 6. โคจระสปายะโคจรสบายคือมีแหล่งอาหารแหล่งปัจจัยสี่ สิ่งจำเป็นในการใช้สอยเป็นอยู่หาไม่ยากเช่นมีหมู่บ้านร้านตลาดหรือชุมชนที่ไม่ไกลไม่ใกล้เกินไป 7. ธรรมะสวนสปายะหรือภาษะสปายะสวนาสบายคือมีโอกาสได้ยินได้ฟังถ้อยคำเนื้อความและเรื่องราวที่ให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักความจริงความดีงามที่เป็นธรรมะ วิทยาตลอดจนการพูดคุยถกเถียงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดพูดตามยุคสมัยว่ามีโอกาสเข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่สร้างสรรค์ะดุงจิตใจจันลงปัญญาเอื้อต่อ ก, การศึกษาเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตปุจชาแทรกได้เจ็ดข้อแค่นี้ก็สบายแล้ว ถ้าเจข้อสบายทั้งนั้นสบายสมชื่อทุกข้อครบเจข้อแล้วยังอยู่แค่ระดับที่หนึ่งเท่านั้นหรือวิสัชนาทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยยังเน้นด้านวัตถุหรือรูปธรรมคุณภาพชีวิตจะจริงแท้และยั่งยืนต้องลึกเข้าไปในจิตใจหรือสูงขึ้นไปในทางนามธรรมด้วยต่อจากนี้ก็ให้ดูระดับที่สองที่เรียกว่าสัมปรายกัตถะ หรือประโยชน์เบื้องหน้าเป็นจุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชน์ที่ลึกเข้าไปเป็นเรื่องที่เลยจากที่ดูในระดับตาเห็นทั่วๆไปแล้วที่จริงแค่สี่ข้อแรกที่กล่าวมาก็ดูได้เยอะแล้วแล้วเรื่องสัพไพยะเจ็ดบางอย่างก็ล้ำเข้ามาในระดับที่สองนี่บ้างแต่ตอนนี้เน้นด้านนามธรรมาให้ชัดขึ้นในขั้นนี้ก็ดูว่า พ่อแม่ผู้นำในครอบครัวเป็นหลักใจให้ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจอยู่กันในครอบครัวยังมีความภาคภูมิใจและมั่นใจที่ได้ดำเนินชีวิตโดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายซึ่งก็เป็นคุณภาพชีวิตอย่างหนึ่งเป็นการทำให้จิตใจสงบมีความรู้สึกมั่นคงยิ่งกว่านั้นยังได้เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นกุศลที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีอย่างยิ่งเพราะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายทำให้เกิดปีติอิ่มใจมีความสุขที่ลึกซึ้งยั่งยืนและจะย้อนไปโยงกับข้อแรกเช่นทำให้เป็นที่นิยมนับถือมีความภูมิใจในครอบครัวของตนว่าพ่อแม่ของเราได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทาความดีสร้างสารรค์สังคมเป็นต้น รวมทั้งมีศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทําความดีเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยมีหลักคิดเหนียวจิตใจจิตใจไม่ว้าเวเป็นคุณภาพชีวิตในระดับจิตใจแล้วก็มีปัญญาแก้ปัญหานำชีวิตได้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อข่าวสารเหตุการณ์ความเป็นไปในโลกแล้วรู้เท่าทันข่าวสารข้อมูลนี่ก็เป็นคุณภาพชีวิตในระดับปัญญาซึ่งสาคัญมาก สูงกว่านั้นก็ถึงระดับสามที่เรียกว่าปรมัตถะแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นจุดหมายสูงสุดเป็นขั้นที่มีจิตใจเป็นอิสระสองระดับแรกยังเป็นคุณภาพชีวิตในขั้นของการอยู่ร่วมสังคมในฐานะเป็นบุคคลแต่ในที่สุดความเป็นบุคคลในสังคมนั้นก็ต้องโยงไปหาด้านชีวิตที่เป็นของธรรมชาติหมายความว่า ที่แท้นั้นทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติและกฎธรรมชาตินี้ไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการพลัดพรากพบความ ผ, ล ผ, ลผันพวนปรวนแปรเป็นไปต่างๆตามเหตุปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้องตอนนี้ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วถ้าจิตใจยังไม่อิสระ พอเจอกับความผันผวนปรวนแปรซึ่งเป็นโลกธรรมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศ ด, ดินทาสันเสริญสุขทุกสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสังคมเหตุการณ์บ้านเมืองชีวิตเปลี่ยนไปพอเจอเข้าก็โศกเศร้าทุกใจตอนนี้แหละที่คนจะต้องเข้าถึงธรรมชาติถ้ารู้ความจริงแจ่มแจ้งปัญญาชัดเจนถึงสัจธรรมแล้วจิตใจก็จะเป็นอิสระ ไม่หวั่นไหวมั่นคงสมบูรณ์จึงเป็นคุณภาพชีวิตสูงสุดที่เรียกว่าเป็นมงคลข้อ38ตามพุทธพจน์ที่ว่าจิตตังอโศ ก, กังวิรชังเขมังผู้ใดถูกโลกธรรม ท, ทั้งหลายกระทบกระทั่งแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวมีความมั่นคงไม่เศร้าโศกแห้งเฉาไม่เศร้าหมองขุนมัวเป็นจิตใจที่สะอาดผ่องใสกษมปลอดโปร่งเบิกบาน อันนี้จัดว่าเป็นมงคลสูงสุดเป็นคุณภาพชีวิตชั้นยอดพ่อแม่ที่ถึงขั้นนี้ก็จะเป็นหลักของครอบครัวและของเพื่อนมนุษย์ทั่วไปได้อย่างดีคุณภาพชีวิตก็ดูได้หลายระดับตามหลักอัถะคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายสามขั้นอย่างนี้ เมื่อคนพัฒนาความสุขก็เป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้นอุจชาครอบครัวมีความสุขหรือความผาสุขมีลักษณะอย่างไรวิสัชนาถ้ามองอย่างกว้างก็ดูตามลักษณะของคุณภาพชีวิตในเรื่องสัพพายาเจตและอัฏฐสามดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ถ้ามองในแง่ตัวคนก็ควรพิจารณาในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุด้วยว่าวัตถุที่มีอยู่สามารถให้ความสุขกับเขาได้ไหมเขามีการพัฒนามีความสุขงอมทางปัญญาแค่ไหนจิตใจเป็นอิสระจากวัตถุมากน้อยเพียงใดถ้าความสุขของเขาไม่ค่อยขึ้นต่อวัตถุแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีวัตถุมากชีวิตจะพึ่งพาวัตถุน้อยลง และมีความสุขได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าจิตใจพัฒนาไม่พอเขาก็ต้องการวัตถุมากจึงจะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูความสุขงอมแก่กล้าของอินทรีย์โดยเฉพาะด้านปัญญาถ้าเขายัางพัฒนาทางจิตใจและทางปัญญาน้อยเขาก็จะพึ่งพาวัตถุมากแต่ถ้าเขาพัฒนาสูงขึ้นไปความสุขของเขาก็แบ่งหรือย้ายไปที่อื่น เช่นสุขจากความรักใครใไมตรีระหว่างมนุษย์ศรัท ธ, ธาในศาสนาหรืออุดมคติบางอย่างกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรืองานที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าความสุขกับธรรมชาติความสุขจากวิเวกการศึกษาหาความรู้การสแสวงธรรมสแสวงปัญญาความปลอดโปร่งเป็นอิสระเป็นต้นที่ขึ้นต่อวัตถุน้อยลงน้อยลง ุตาในหลักการแล้วเราควรฝึกการพึ่งพาวัตถุให้น้อยได้อย่างไรบ้างวิสัชนาเราควรฝึกตนเองให้เป็นอิสระเหนือวัตถุมีชีวิตที่ดีเป็นสุขได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาวัตถุน้อยที่สุดหรือค่อยๆน้อยลงไปจึงมีหลักปฏิบัติที่เรียกว่าศีลแปดเป็นตัวอย่างของการฝึก อย่างน้อยไม่ให้ลุ่มลงวัตถุไม่ให้เอาความสุขและชีวิตของเราไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียวจนกลายเป็นทาตของมันหรือสูญเสียอิสรภาพไปจะเห็นว่าศีลแปดเป็นการเพิ่มจากศีลห้าในข้อที่เกี่ยวกับตนเองเท่านั้นในขณะที่ศีลห้าเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายกันไม่ฆ่าฟันกันไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์กัน ศีลแปดเป็นเรื่องของตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องดูการละเล่นไม่ต้องประดับตกแต่งไม่ต้องใช้ที่นอนที่สบายเกินไปและกินง่ายอยู่ง่ายกินมื้อเดียวก็สามารถอยู่ได้คล้ายๆกับว่าเอาแค่ที่ตรงและพอกับความต้องการของชีวิตจริงๆไม่เอาตามความชอบใจของฉันแต่ดูตามความเป็นจริงว่าชีวิตต้องการแค่ไหนถ้าอาหารมื้อเดียวพอ เราก็บอกว่าพอฉันไม่เอาความสุขไปฝากหรือไปขึ้นกับอาหารอร่อยแต่จะเอาเวลาไปพัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญาเช่นใช้เวลาไปในการค้นคว้าตำรับตำราอ่านหนังสือหรือไปฟังธรรมไปประทกคาอาภิปรายทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าอนนวัชกรรมรวมแล้วศีลแปดเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาคน ต่อขึ้นไปจากระดับศีลหศีลหมีเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันแต่ศีลแปช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของแต่ละคนอยู่ดีมีสุขได้โดยขึ้นกับวัตถุน้อยลงไม่ฝากความสุขไว้กับวัตถุมิฉนั้นแล้วต่อไปชีวิตจะกลายเป็นว่าความสุขต้องขึ้นอยู่กับวัตถุเช่นไปไหนไม่มีฟูกไม่มีที่นอนดีๆก็ไปไม่ได้เป็นการจํากัดตนเอง แล้วก็เป็นทุกข์ด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ขึ้นกับวัตถุมากนักก็จะเอาเท่าที่จําเป็นกินนอนที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นและมีความสุขได้ไปทําคุณงามความดีได้สะดวกจึงมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นโล่งเบาคล่องตัวสามารถไปทําสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้นดังนั้นชีวิตยิ่งพัฒนาขึ้นไป ก็ยิ่งมีโอกาสให้ตนเองพัฒนาได้มากขึ้นและช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นแล้วด้านวัตถุเมื่อได้มามากก็จะมีส่วนที่เกินจําเป็นซึ่งนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นต่อวัตถุคิดแต่จะเสบริโภคให้มากที่สุดมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอก็ต้องเอาให้ตัวได้มากที่สุดและต้องเอาจากคนอื่นต้องแย่งชิงเบียดเบียนกัน คนอื่นก็เดือดร้อนตัวเองก็ไม่รู้จักพอมีเท่าไรก็ไม่เป็นสุขเป็นคนที่สุขได้ยากแต่ถ้าพัฒนาตัวขึ้นไปความสุขขึ้นต่อวัตถุน้อยมีนิดเดียวฉันก็เป็นสุขแต่ฉันเก่งฉันหาได้มากก็นำไปช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ได้มากกลายเป็นดีไปเข้าหลักว่าตัวเองก็เป็นสุขได้ง่าย และช่วยให้คนอื่นเป็นสุขได้มากหรือเป็นสุขง่ายกินใช้น้อยทำประโยชน์ได้มากเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของวัตถุอุดชาในปัจจุบันมีสื่อต่างๆเช่นทีวีวิทยุ มาช่วยกระตุ้นความต้องการทางด้านวัตถกุก็ต้องกลับไปสู่หลักเดิมที่ว่าควรจะดูเพื่อการศึกษาวิสัชนาใช่แล้วหลักของศีลบอกไว้ว่าควรใช้ตาหูดูฟังให้เป็นตาดูเพื่ออะไรเรามีทีวีเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ที่แท้ก็เพื่อการสื่อสารให้ข้อมูลเพิ่มพูนความรู้ เพราะฉะนั้นสุขที่แท้ก็จะได้ก็คือความสุขทางปัญญาโดยมีการพักผ่อนย่อนใจเป็นของแถมต้องถามตัวเองว่าเราได้สื่อเช่นทีวีมาแล้วเกิดปัญญาเพิ่มพูนขึ้นไหมมิใช่เกิดแต่ความหลงหมกมุ่นมัวเมาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นโทษมากกว่าแทนที่จะได้พัฒนาชีวิตก็กลายเป็นถอยจมลงไป ต้อรู้ชัดว่าวัตถุอุปกรณ์ต่างๆนี้คุณค่าที่แท้อยู่ที่ไหนดังนั้นการซื้อข้าวของวัตถุเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรถยนต์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถามตนเองว่าวัตถุประสงค์ของการซื้ออยู่ที่ไหนถ้าเราสามารถตอบได้ก็จะมีขอบเขตชัดขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะกําหนดสเปคได้ถูกต้องปุตรช้า ที่เรียนถามเช่นนี้เพราะว่าบางคนไม่ต้องการตามขอบเขตแต่เพื่อบำรุงบำเรอวิสัชนาก็มีสเปกเหมือนกันแต่สเปกของเขาไม่ได้กำหนดด้วยปัญญาเป็นการกำหนดด้วยตันหาสเปกของปัญญากับสเปกของตันหาไม่ตรงกันสเปกตันหาจะไม่รู้จักพอ และไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชีวิตตรงนี้แหละเป็นข้อผิดพลาดแล้วต่อไปก็จะนำไปสู่การเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาแต่ถ้าเรารู้จักคุณค่าที่แท้จริงเช่นถ้าเรามีรถยนต์เราควรพิจารณาว่าคุณค่าที่แท้จริงก็คือเพื่อให้เดินทางสะดวกรวดเร็วช่วยให้กิจธุระสำเร็จได้ดี เพราะฉะนั้นควรเน้นที่ความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรงทนทานความสวยงามเป็นรองแม้ว่าสังคมจะมีค่านิยมอย่างนั้นเราก็ยอมรับอย่างรู้ทันในด้านค่านิยมเราก็ไม่ให้เสียแต่พร้อมกันนั้นเราก็ไม่ต้องตกไปเป็นทาสของค่านิยมเราจะเน้นในคุณค่าแท้ที่เป็นพื้นฐานก่อนเอาจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือก็ยอมให้สังคมบ้าง แต่ไม่มัวเมาหมกมุ่นไม่เป็นาธาตุท่านเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันทั้งด้านดีด้านเสียทำจิตใจให้เป็นอิสระได้